ตกนะก็เลยก็มีแมงเม่าบนะินออกมาแมงเมาก็ชอบมาตอมตอมแ ส, แสงไฟนะมันก็อาศัยเนื้อแสงไฟมันจะคงมีอะไรน่าสนใจสำหรับแมงเม้านะแต่บางทีแสงไฟนะ มันก็มีภัยในนั้นนะถ้าเขาเข้าในกองไฟอย่างเช่นแสงเทียนนะถึงว่าก็คงจมกับน้ำตาเทียนหรือว่าโดนโดนความร้อนจากแสงเทียนนะไม่ก็ตายหรือแม้เขาไปตอมหลอดไฟนะถ้าแรกก็คงไม่เป็นอะไรนะแต่ก็ถ้าเขามาตอ ม, มบ่อย ก็จะมีทิ้งจบกมีทุกแก่ก็คอยมาจับกิน <ะ S 2> แมงเม่าที่ตอมแสงเทียนเออที่ตอมแสงไฟในหลอดไฟต่างๆอื <último S 2> ที่จริงก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนะก็ <คะ S 2> เราก็มักจ<น>ะตอมหรือว่าตามนะ สิ่งที่เราคิดว่ามันมันดีนะมันสวยงามนะเช่นชื่อเสียงเกียรติยศนะทรัพย์สินสมบัตินะอำนาจนะอะไรต่างๆนะที่เราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ที่จริงถ้าเราไปไปต่างสิ่งเหล่านั้นมาก มันก็มีภัยนะที่เรียกว่าที่จริงภัยหรือความทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราต้องพยายามต้องต้อ ง, องขวนขวายหามาให้ได้แบบมากๆสกวมทั้งภัยในการที่ต้องรักษามีเงินทองมากมีชื่อเสียงมากมีอำนาจมากก็ต้องต้องคอยรักษา แล้วก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้คนมามาแย่งมามายึดของเราไปได้จริงมันก็เป็นความเหนื่อยนะเพราะว่าไอ้ขอพวกนั้นก็มีคนเขาก็อยากได้เหมือนกันนะก็แย่งกันนะก็เรียกว่าก็ขแข่งขันกันมันก็เหนื่อยนะแต่ที่จริงแต่ถ้าเราถ้าเราเพียงแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีนะ แต่มันมีเข้ามาเองนะแล้วก็มีแบบรู้ว่ามันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงนะมันจะหายไปก็ไม่เป็นไรนะเ อ, อ, เ อ, อเ็นมีตำแหน่งมีหน้าที่มันจะหมดตำแหน่งหน้าที่ไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันจะมีชื่อเสียงเกียรติยศนะมันมีมันก็ก็แค่นั้นแหละนะมีก็ได้ใช้นะหรือว่ามีคน มามัมานินทาว่าร้ายที่จริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกนะเนงินทองแล้วก็มีมาเพื่อใช้นะเพื่อหน่วยความสะดวกนะแต่ไม่ใช่เราจะต้องนะเอาทั้งชีวิตของเรามามุ่งหามุ่งหามันนะแล้วก็ได้ใช้ก็ไม่หมดนะเราก็คิดว่าเราเอาไว้ให้ลูกหลาน แต่จริงมันก็นุกหลานเองเขาจะอยากเขาจะอยากได้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่จริงชีวิตเรามันน้อยนะเราจะไปมุ่งแต่เรื่องเรื่องน้อยนิดข้างนอกแบบนั้นมันก็ก็เสียเวลาไปแต่เราก็ต้องทำไปพอสมควรเนาะเพื่อใช้สอยแต่เราถ้าเราเห็นนะ่มันเป็น มันก็มีภัยเข้ามาทุกคามนะมีความทุกข์มีความเหนื่อยมีความเมื่อยล้าในการต้องสแสวงหามากๆเพราะว่า <c oughs> ถ้าเป็นมุ่งแต่ตรงนั้นนะ่นะเรียกว่ามันมันไม่พอหรอกนระพูเจ้าก็บอกนะแม่น้ําเสมอเสมอด้วยตันหาไม่มีนะก็คือประมาณว่าตันหาคือความอยากนี่แหละนะมัน ไม่มีแม่น้ำสายไหนที่มันมันใหญ่เท่ากับปัญหาความอยากของของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะหรืออย่างที่บางทีมีคนก็บอกทรัพยากรบนโลกเนี้ยนะมีเพียงพอให้คนใช้ด้วยกันทุกคนในโลกนี้นะแต่มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคนคนคนเดียวนะที่อยากได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะี่ นันที่จริงถ้าชีวิตของเราทําตามความอยากนะอย่างไรมันก็ไม่พอน ะ, นะมันได้เท่าไหร่กันมันก็ไม่พอแต่ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมเนะนี่ยเราจะไม่รู้จักคำว่าพอนะคาว่าพอนี้คือว่าคือพอใจนะคำว่าพอคือพอใจ พอใจในสิ่งที่ที่เรามีน ะ, นะยินดีในสิ่งที่เราได้รับคําว่าพอคือตรงนี้น ะ, นะแต่เราก็สามารถที่จะหาะตามสัมมาอาชีวะนะอาชีพที่สุจริตได้มาก็พอใจในสิ่งที่เราได้มาได้ น, น่นไม่ใช่ว่าต้องหยุดในการหาแต่เป็นแต่ว่า ให้รู้จักพอใจในแต่ละขณะที่เราที่เราได้นะได้ในทางที่ถูกต้องได้ในทางที่สมควรนั่นะมันเป็นสิ่งที่ที่น่าพอใจนะนะยินดีนะในสิ่งที่เราได้รับนะไม่ว่าจะเป็นนะคายกย่องคาสรรเสริญ่วนถึงอาจจะมีคานินทาก็ยินดีรับนะรับเพื่ออะไร ถ้าเพื่อมาดูนะดูว่าใจเราลอยไปกับเขาไหมนะเวลามีคนชมใจเราฟูใจเราลอยไม่เวลามีคนตําหนินะบางทีเขาตําหนิงานเราก็บอกว่าเป็นตําหนิเรานนเพราะว่าเราเอาตัวเราไปผูกกับงานบางทีเขาตําหนินะเช่นตําหนินโดยภาพรวมของงานแต่เราก็ไปยึดว่า เขาตำหนิเราเพราะว่าเรานะเพราะว่าเราเอาตัวเราไปผูกไว้กับการการงานหรือตำแหน่งหน้าที่ต่างๆกับองค์กรต่างๆอันนี้คือแต่ที่จริงถ้าเราน้อมรับฟังนะก็น้อมรับฟังในสิ่งที่เขาตำหนิตีเตียนเราก็เอามาเพื่อแก้ไขเอามาเพื่อพัฒนาตนแบบนี้ก็เกิดประโยชน์ แต่ถ้าที่เขาตำหนิแล้วมันไม่ใช่มันไม่ถูกนะเขามีอคติก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปโกรธไปโมโ oh ห ok, เขาก็วางได้เลยนะในเมื่อสิ่งที่เขาพูดมันไม่ถูกมันไม่ตรงมันไม่จริงเ้านะวางเลยไม่ต้องไปเสียอารมณ์ไปไปพิจารณาว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นถึงว่ายอย่างนั้นแต่ถ้าไหนมันดีอันไหนไมันถูกนะก็ดีเลยขอบคุณเขาที่ช่วย ช่วยชี้กุ่มซัพเนะช่วยบอกทางช่วยให้เราพัฒนาตนเองเข้าไปอันนี้คือมันก็จะเจอนะเจอกับเรื่องราวคนเนี้ยนะนเราก็เอามาเป็นการเอามาเป็นการเรียนรู้นะนเพราะว่าใจเนี่ยแหละนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนานะคำว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าพัฒนานพัฒนาในที่นี้นะ เราเน้นมาที่การพัฒนาจิตใจครับนะ <c oughs> การพัฒนานะในวัตถุทางโลกเนี่ยมันก็พัฒนากันไปทุกยุกทุกสมัยอยูแล้วนะแต่มันพัฒนาวัตถุทางโลกบางทีก็ไม่ใช่เป็นการพัฒนาด้านจิตใจก็มีเพราะว่าบางทีเราพัฒนาวัตถุเพื่อสนองความความอยากเนาะ <c oughs> เหมือนเรามีเครื่องมือที่ดีนะแต่ใจเราแต่ใจเราเหี้ยมโหดใจเรามีความหยาดนะมันก็เอาเครื่องมือที่มีนะเอาไปใช้ในทางน่ไปในทางอากุศลไปในทางที่ผิดใช่ไ ม, มเหมือนเรามีมีดนะ่ะมีมีดถ้าเรามีใจที่ดีนะแต่ที่ปกติ เราก็มีดมาหั่นผักมาทำอาหารนะมาตัดสิ่งของที่จำเป็นแต่บางคนมีมีดแต่ใจเหี้ยมโหดนะโกรธคนอื่นก็มีดนั้นไปแทงเขานะไปท่าเขานี่มันมีเครื่องมือนะเหมือนวิทยาศาสตร์ยิ่งยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่นะอย่างเราเรียนรู้เรื่องนิวเคลีย บางคนก็เอานิวเคลียร์ไปสร้างเป็นอาวุธเพื่อเพื่อทำํำลายโรคนะเพื่อฆ่าคนอื่นนะแต่บางคนก็พัพฒนานิวเคลียร์เพื่อผลิตพลังงานนะให้คนในโลกนี้ได้ใช้นะมันก็เป็นความรู้ในชุดเชิงที่เชิงเดียวกันนะอนะใกล้เคียงกันนะแต่มันแปลงไปใช้เพื่อทําลาย หรือว่าใช้เพื่อพัฒนาโลกนี้ที่จริงในทางวัตถุเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราพัฒนาแต่วัตถุแต่เราไม่พัฒนาจิตใจนะจิตใจเนี่ยมันก็จะสั่งสั่งให้เราใช้วัตถุไปในทางที่ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สมควร คำว่าอย่างสมัยเนี้ยคนเราก็คิดถึงว่าเราต้องแบบเสรีนิยมนะต้องมีเสรีภาพนะต้องมีอิสระภาพนะแต่ถ้ามันวงเล็บว่าเนะ่ยนะเสรีนิยมหรือเสรีภาพอิสระภาพนะที่จิตใจยังมีกิเลสครอบงำอยู่เยอะมากเนะี่ย มันก็จะเป็นการแบบเรียกว่าทำตามใจเนา ะ, ะเป็นอิสระภาพหรือเสรีภาพแบบเรียกว่าตามใจกูกูอยากทำอะไรก็ทำแบบนั้นแหละมันเป็นเสรีภาพที่น่ากลัวะะเป็นมันเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นการตามใจตนเองนะแบบสุดตรงในแบบหนึ่งแต่เสรีภาพาจริงๆคือการที่เราเป็นอิสระพ้นจาก อำนาจของกิเลสนะนะเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องถูกความกลัวนะมาครอบงำนะถูกความหลงมาครอบงำถูกความอยากมาครอบงำใจเนะี่ยมันจะเป็นอิสระได้จริงๆนะอิสระไม่ได้ถูกความโกรธมาครอบงำใจเนะี่ยมันจะเป็นอิสระจริงๆนะใจจะเป็นอิสระนะจะทําจะพูดจะคิดนะ ก็มึงเพื่อการพัฒนาจิตของตนเองหรือว่าพัฒนาจิตของคนอื่นเป็นหลักนั่นเรื่องของจิตใจนะเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากเนาะจิตใจเนี้ยนะมันก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้คนระับจิตใจเป็นสิ่งบังคับไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้เหมือนกับเด็กนะ ลกหรือว่าเด็กนักเรียนนะถ้าครูที่ดีนะพ่อแม่ที่ดีนะฝึกลูกสอนลูกนะในทางที่ถูกในทางที่ดีนะเด็กคนนั้นนะลูกคนนั้นก็สามารถเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีศักยภาพนะเป็นคนที่มีคุณภาพได้นะแต่ถ้าพ่อแม่นะไม่ อาจจะหวังดีนะแต่ไม่รู้วิธีฝึกที่ถูกนะครูเองอาจจะหวังดีแต่ไม่รู้จักวิธีฝึกที่ถูกนะหรือไม่ค่อยรู้จักฝึกนะปล่อยนะปล่อยตามใจนะนักเรียนหรือลกคนนั้นก็ จ, จะโตมาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นะคนที่ไม่มีคุณภาพนะเป็นคนที่อนะมาทำร้ายโลกทำร้ายคนอื่นนะ มันก็เหมือนเหมือนนั่นแหละเหมือนจิตของเราอะนะเหมือนกับเด็กเหมือนกับลูกนะเราสามารถฝึกได้นะเราสามารถฝึกได้นะถ้าฝึกแล้วเขาก็จะเป็นจิตที่เรียกว่าฝึกดีแล้วนะจิตที่ฝึกดีแล้วนะั่นแหละมันจะนําสุขมาให้เราแต่ถ้าจิตที่ฝึกไม่ดีเนะี่ยมันจะนําทุกข์นำโทษมาให้เรามากมายสารพัดเลยนะนะ ถ้าจิตที่ฝึกดีเนี่ยนะนะก็คือเราฝึกด้วยอะไรนะฝึกด้วยการที่เรารู้จักมีสินศินะ น, นะโดยสมมุติที่เราถือนะั่นแหละนะเราก็ต้องฝึกมีเพราะว่ามันเป็นตัวรกิเลสแบบหยาบๆนะกิเลตแบบหยาบๆนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธแบบหยาบๆนะโกรธมากจนจะต้องไปทําร้ายคนอื่นทำร้ายสิ่งอื่นวัตถุอื่นเนะี่ย คือเราก็มีสินไว้ป้องกันนะหรือความอยากความโลภมากๆเจนทั้งโลภมากๆจนหน้ามืดตาหมัวต้องไปขโมยต้องไปชอบโกงคนอื่ น, นหรือการมาราคะมาครอบมันมากๆนะเจนทั้งต้องไปเป็นชู้นะกับลูกเมียกับหัวของคนอื่ น, นหรือว่าความมุสาวาทานนี่ก็อาจจะ สายอย่างนะอาจจะหลงเพราะความอยากความโลภนะต้องโกงขกหรือบางทีก็โกงหกเพราะความกลัวบางทีก็โงกงหกด้วยความหลงนะนะคิดว่ามันดีนะบางทีก็เพ้อเจอพูดความอยากนะมันก็เป็นความหลงแบบเรียกว่าเป็นกิเลสแบบหยาบอยากนะอยาบหยากรวมทั้งสุราของมึนเมานะ นะถ้าจะว่าไปมันก็คือมันทําให้เราขาดสติเนี่ยแหละนะตัวที่เป็นโทษจากหนะักก็คือว่าเมื่อสมองมันมึนนะเมื่อร่างกายมันอมันรักแอลกอฮอล์เข้าไปมันมันก็ไม่ค่อยปกติแล้วขนาดเราปกติเองนะสติมันยังขาดบ่อยเลยยิ่งไปทําให้ตัวเองมึนเมาด้วยสติก็ยิ่งขาดบ่อยนะ ถ้าคนเห็นความสําคัญของการมีสติเนะี่ยมันก็จะรักตัวมันเองนั้นเรื่องศีลก็เป็นเรื่องที่อืมเป็นการป้องกันกิเลสแบบจับยาครับจับยาแต่ศีลของพระน่ของไมช่ชีหรือที่เราเรียกว่าวินัยนะหรือว่าศีลที่ศีลของนักบวชเนะี่ยอืมมันก็จะเป็นศีลที่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการรักกิเลสจับยาครับ แต่มันจะเป็นศีลที่ทําให้เราได้ฝึกการมีสตินะฝึกการมีสตินะฝึกในการเห็นจิตเห็นใจของตัวเองดูซินะอย่างเช่นบางทีความเคยชินในหลายๆอย่างที่เราทําตอนเป็นคารวาสพอเรามาเป็นนักบวชแล้วนะเราก็ทําต่างจากนั้นนะเช่นเป็นคารวาสเขาร้องเพลงอะไรนะเขาประดับตกแต่งร่างกายให้หอมให้สวยนะ ต่างๆเราก็มาฝึกแบบเนี้ยบางทีจะ ด, ดิตความเคยชินอาจจะอยากร้องเพลงอยากจะประดับตกแต่งนะเราก็เห็นตัวซีว่าเออไม่ต้องทํามันหรอกนะมันเป็นเพียงแค่ความสวยงามนะนะภายนอกนะเท่านั้นนะมันเป็นเพียงแค่ความสุขทางโลกๆเท่านั้นไม่ต้องทําก็ได้นะ ใหม่ๆมันก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะที่เราอาจจะไม่ชินนะบางอย่างมันก็ไม่ให้เป็นเรื่องผิดแบบโดยโดยตัวของมันเองหรอกนะโดยของของสิ่งของพระนะนเช่ น, นการที่เราแบบทำไมมีบาดมีบาทแล้วยังไม่ถึงสิบนิ้วขอบาทใหม่ต่อค้าพหันนะต้องเป็นอาบาทนะ หรือจีวรนะก็ต้องกินทุกนะต้องทำตำหนิอะไรพากนี้มันก็เป็นเป็นข้อวัดที่เพียงแค่เป็นปีกย่อยเพื่อให้เราเรียกว่าที่จริงก็คือให้เราใช้ปัจจัยสี่ต่างๆให้มันคุ้มค่านะนะอนะไม่ใช่ว่าแบบคิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอนะหรือว่าแบบไม่ดูแลเนาะอบางทีสมัยนี้ยคนเรามีของเยอะนะก็เลยใช้แบบ ใช้ของแบบไม่มีคุณค่าใช้แบบทิ้งทิ้งค่องคลากนะอย่างจีวรเ่ยนะสมัยก่อนนะหายากนะพระต้องไปชักกองสกุลนะต้องเก็บผ้าตามป่าช้านะต้องไปเรียกว่ารอคนมาถวายในช่วงกระถิ่นนะจะได้เอาผ้ามาเย็บมาย้อมมานุ่งมห่ ม, หมนะเป็นจีวรได้ใช้ก็ใช้เป็นคุ้มนะ การทำปินทุทำทำตำหนิก็เพื่อรักษาไม่ให้หายทำตำหนิเพื่อไม่ให้หลงกับคนอื่นอนะไรแบบนั้นสิลบางทีมันก็เป็นพวกเนี้ยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นการสิลที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นเรียกว่ารู้จักใช้ปัจจัยสี่ปัจจัยต่างๆแบบเรียกว่ามัดจันยุตาก็คือรู้จักประมาณะ มันก็จะเป็นสินที่เพิ่มขึ้นนะเป็นการรู้จักใช้โดยรู้จักประมาณนะไม่ฟุ่มเฟือยนะแม้เป็นคารวะตเองถ้ารู้จักสินข้อนี้ก็จะใช้วัตถุสิ่งของต่างๆแบบรู้จักประมาณในการบริโภคนะมันก็ช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะนะทําให้เรามีก็มีเงินเก็บลงเยอะนะสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆก็ก็ลดลงไปนะมันก็จะเป็นสินเนี่ยในแง่ที่ทํายากขึ้นนะ พรบางทีบางคนเป็นคาราวาสมีเงินทองเยอะพอสมควรเนะบางทีเราก็ใช้เงินใช้ทองในการซื้อหาความสะดวกซื้อสนองความอยากนะจะบางทีก็เรียกว่าเกินเกินสมควรนะมีแล้วก็อยากจะได้อีกนะหรือบางทีของบางอย่างมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ด้วยความอยากมันก็จะมีเหตุผลว่านั่นนี่แต่ละพัฒน์นะ ให้หามานะ่ะมันก็คือการรู้จักประมาณในการเปร็นพวกที่จริงมันก็เป็นการเรียกว่าเป็นการกรองกิเลสนะคล้ายๆถ้าเหมือนกับกสะแซน้ำนะกสะแซน้ำมันมาเยอะมันก็เหมือนมันมีฝายนะมีฝายชะลอน้ําครับนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ละไม่ไม่ได้ละกิเลสทั้งหมดเสียทีเดียวแต่มันชะลอมันป้องกันกิเลสแบบกลางๆนะ่ะตัวความอยากที่ อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่รู้จักพอมันก็จะลดลงไปอันนี้เรียกว่ารู้จักประมาณในการบริโภค่วนะมทั้งที่เราพิจารณาอาหารพิจารณาปัจจัยสี่ต่างๆในแต่ละวันมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อคุณค่าแท้ของสิ่งต่างๆมันคืออะไรนะคนส่วนใหญ่เป็นไปลงในคุณค่าเทียมนะที่รสชาติที่ความสวยงามที่นะ ก็ถสุนิยมหรือที่ยี่ห้อเนาะมันเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยนะถ้าเราดูดีดนะสมมุติที่เราคิดว่ามันเทเมือ่อเมื่อสิบปีที่แล้วนะพอมามองในตอนนี้มาดูรูปตัวเองมาดูแฟชั่นในสิบปีที่แล้วมันก็ดูแล้วไม่เห็นเทอย่างที่เราคิดในตอนนั้นเลยหรือว่าความชอบของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะแล้วก็ศิลอีก แบบหนึ่งนะที่จะช่วยนะเรียกว่า อ, อินทรียสังวรทศินนะคือการที่มีความสำรวมตาหูจมูกริ้งกายใจนะมันจะช่วยเป็นการฝึกให้เรามีสตินะเมื่อตามองเห็นรูปเรามีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงเรามีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่น มีสติรู้ทันลิ้นสัมผัสกั บ, บรสนะมีสติรู้ทันนะกายสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็มีสติรู้ใจนึกคิดนะก็มีสติรู้ทันอันนี้คือมันจะช่วยไปการฝึกสตินะเราจะเน้นภาคภาคปฏิบัตนะิมันจะเน้นตัวนี่แหละนะสิ่นที่เกิดจากการรู้เท่าทันอายุะนะภายในของเราเองนะ อายตนะมีมีภายในมีภายนอกนะภายในก็คือเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นภายในภายนอกก็คือรูปเสียงกิจน์นัดผดผัสคือการสัมผัสต่างๆธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ทางใจนะอันนี้นเป็นเรียกว่าเป็นอารมณ์ภายนอกนะแต่เรามาเน้นที่รู้ทันอารมณ์ภายในนะเพียงแค่รู้นะ เราจะเห็นถ้าเรามีสติ น, นะเราจะเห็นว่านี่อาเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันก็คือการที่เราเกิดการรับรู้ทางกายเนี่ยเป็นหลักนะยืนเดินนั่งนอนฟุ่ยเหย็ดเคลื่อนไหวทําการทํางานต่างๆนั่นแหละเรามาเน้นดูผักษะที่มันกระทบทางกายนี่แหละนะเหมือนเขาเพียงแค่รู้การกระทบอรู้ไปเฉยๆรู้ไปเรื่อยๆนะ บางทีมันก็กระทบทางกายเป็นหลักแต่บางทีมันก็กระทบทางเสียงนะบางทีก็กระทบทางตาหรือบางทีมันก็กระเทือนทางใจนะเนะี่ยเกิดการกระเทือนขึ้นมาจาในใจเนะี่ยเราก็มีสติคอยรู้นะมีสติคอยรู้ถ้าเรารู้ทันมันก็เรียกว่ามีอินทรียสั่งวรณศินนะถ้าเรารู้ไม่ทันนะตามันก็ใช้เรานะ <c oughs> หูมันก็ใช้เราจมูกก็ใช้นะ่กนกนะกลิ่นก็ใช้นะ่ะจิ้นก็ใช้น่ะกายก็ใช้ใจก็ใช้นะใช้ไปอะไรรากไปครับรากนะ่ะรากเราไปดูหนังฟังเพลงรากเราไปตามหาชิมของอ ร, อร่อยทั่วประเทศนะรากเราอนะ่าไปอยู่ในความคิดนะในความสุขในความทุกข์ต่างๆนะ่ะมันลากไป ถ้าขาดสตินะชีวิตเราก็จะถู ก, ก, กปัญาไปนะ่ตามความชอบตามความไม่ชอบต่างๆนะชอบก็ไปหาไม่ชอบก็ไปว่านะไปตำหนิเขาอะไรเนี่ยนะนะคือมันก็ขาดไปนะนั้นเราเราฝึกนะสติเนะีนะ่ะเราจะได้รู้จักคําว่าศตินจริงๆนะศตินจริงๆนะมันคืออะไรนะ สิ่งที่จริงคือความปกตินี่แหละนะความปกติที่เริ่มต้นจากกายวาจาที่เป็นปกติกายวาจาที่สัมรวมที่เรียบร้อยนะสัมรวมเรียบร้อยไม่ใช่แบบจะต้องแบบเป็นมารยาจากผู้ดีนะะขนาดนั้นแต่สัมรวมเรียบร้อยก็คือเนี่ยแหละนะเราจะอจะทำอะไรนะมันก็มีสติคอยดูแลนะ มีสติคอยกำกับนะการกระทำนั้นๆมันก็จะไม่เรียกว่าไม่ชมชางไม่เร่งรีบรีบร้อนจนเกินไปนะนะบางทีเราไปมุ่งเป้าที่งานมากบางทีก็ลื่มว่าเรารีบจินไปนะเราร้อนเกินไปนะจะพูดอะไรก็เหมือนกันนะท่านเป็นต้องพูดไม่สมควรพูดไม่นะพูดแล้ว ม, มีประโยชน์หรือเปล่าอะไรนะั้นมันก็จะพิจารณา ถ้า ม, มีประโยชน์ก็ไม่พูดนะก็สำรวมลงมากายวาจาก็เป็นปกติถ้ามันก็จะย้อนให้ใจเราเป็นปกตินะถ้าเรามีศีลนะมีสตินะมันจะรักษาใจนะใจพอเรามีคิดนะใจจะบอกใจถ้ามันคิดไม่ดีนะมันก็จะพากายวาจาไปทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดที่มันคิดไม่ดีนะมันก็จะละความคิดที่ไม่ดีได้ละอกุศลได้มันก็กลับมาเป็นปกติหรือเปลี่ยนเป็นกุศลขึ้นมานะมันก็เรียกว่าพากายวาจัยไปพากายวาจัยไปทําในทางที่ดีได้นะัมันก็ดีตรงเนี้ยแหลนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเราไม่มีสติมันก็จะถูก ถูกความคิดมันมันรากไปนะพาไปทำนะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะเนี่ยคือเรื่องของใจนะเพราะใจเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งของทุกอย่างเลยนะการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะสุดท้ายแล้วนยะมันจะมุ่งเน้นมาที่การการมาพัฒนาจิตใจนะการพัฒนาจิตใจก็คือการรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะ เพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายนะไม่ได้เกิดขึ้นที่วาจาแต่กิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจก่อนนะคือมีสติคุ้มครองใจมีสติรักษาใจมีสติดูเท่าทันใจนะี่คือปฏิบัตินะสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาเรื่องของใจเท่านั้นเลยนะแม้เบื้องต้นเราจะปฏิบัติที่กายนะแต่ปฏิบัติที่กายในการสร้างสตินะ เช่นการเคลื่อนไหวเราสร้างไว้ก่อนนะนะสร้างไว้เพื่อให้จิตมันตั้งมั่นเพื่อให้มันกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายแล้ว ส, สติมันจะย้อนกลับมาดูกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะนะมันจะเห็นใจที่มีกิเลสเกิดขึ้นใจที่มีอกตศสนใจที่คิดต่างๆสารพัดเนี่ยมันจะเห็นนะนเห็นแต่เห็นแบบนั้นดีนะครับนะ ยิ่งเห็นอากัสดนเกิดขึ้นในจิตบ่อยนะก็ถือว่าดีนะเพราะเราได้เห็นสิ่งตกปกในใจนะเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความคิดบ่อยๆเนะี่ยถือว่าดีเราได้เห็นความหลงเกิดขึ้นในใจนะแต่ถ้ามันมีแ้่เราไม่เห็นเนี่ยนี่ไม่ใชดีแล้วนะไม่่อยถูกแล้วนั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆนะบันทีจะเห็นเลยว่าทาไมเรา คิดแบบนี้ก็ไดนะ้ทำไมรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะทำไมมันมีอะไรไม่ดีในใจเยอะมากเลยนะแรกๆมันก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ดีกับตัวเองนะทีไ่ไม่ดีกับตัวเองที่ทาไมเราแบบเราเราไม่ดีขนาดนี้เลยหรอเราแย่ขนาดนี้เลเหรอนะทำไมเราคิดแบบนี้ก็ได้หรอใหม่มันอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์ครับเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่ง พอเราเห็นบ่อยๆเราจะเป็นกลางกับมันมากขึ้นนะเพราะแต่ก่อนที่เรารู้สึกเราแย่นะที่คิดแบบนี้ที่ใจเป็นแบบนี้นะเพราะว่าอะไรเรายังมีความรู้สึกว่าใจมันยังเป็นมันยังเป็นความคิดของเรานะมันยังเป็นใจของเรานะแต่ให้เรามีสติกลับมาให้บ่อยนะใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นเป็นกลางก็คือว่าอ๋อ มันคืออารมณ์หนึ่งนะที่มันจอนเข้ามามันคือความคิดหนึ่งที่มันจอเข้ามามันคืออกุศลอย่างหนึ่งที่มันเวียนเข้ามาเฉยๆนะมันจะรู้สึกเป็นหมันจะรู้สึกห่างขึ้นจากอกุศลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจมันจะอ้อใจมันจะเป็นกลางแล้วก็ยอมรับมันได้พอยอมรับมันได้เนี่ยเราจะเป็นผู้ดูมันเราจะเห็นมันเห็นอ้อมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะเกิดขึ้นมาอีกแล้วให้เห็น นะใจเนะี่ยมันจะมีสตินะมันเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆนะอกุศลเกิดขึ้นต่างๆก็ช่างกุศลเกิดขึ้นต่างๆก็ช่างนะต่อไปมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่ค่อยให้น้ำหนักนะในเทิงชอบเทิงไม่ชอบเนะแต่ก่อนมันจะให้น้ำหนักอันนี้กุศลชอบอันนี้ก อ, อนนกุศลไม่ชอบนะนะอันนี้ อ ก, กุศลไม่อยากให้เกิดบางทีก็พยายามเวบังคับไปห้ามมันอันนี้กุศลนะ่ะอยากให้มันอยู่นานๆประคองรักษาไว้แต่จริงนะความเพียรชอบจริงๆไม่ใช่การแบบรักษาแบบไปจับไปยึดไวนะ้นะอหรือว่าอ ก, กุศลไม่ใช่ไปห้ามไปกดข่มไว้นะคำว่าความเพียรชอบจริงๆก็คือเนะี่ยพอมีสติคั้งหนึ่งนะ อกุศลที่เกิดขึ้นมันก็ตกไปอกุศลใหม่มันก็จะแทนเข้ามานะกุศลในที่นี้เป็นกุศลที่เป็นกุศลในเชิงที่กุศลในเชิงบรรลุ ธ, ธรรมนะครับไม่ใช่กุศลแบบเป็นบุญเป็นความสุขแล้วก็ทำให้ติดนะเป็นกุศลคือสติมันพัฒนาขึ้นสมาธิมันพัฒนาขึ้ น, นความเห็นถูกต้องมันพัฒนาขึ้ น, นอันนี้ มันจะเกิดขึ้นทีละขั้นนะการมีสติเจระัะอกุศลอแล้วก็เป็นการสร้างกุศลขึ้นม า, นะ เ, าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเอเราต้องทําแบบนี้ลนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกแบบนี้นะเอเออถ้าเราไม่ละอกุศลไม่ละกิเลสไม่พัฒนาจิตใจนะเราก็ไปทําแต่ข้างนอกเอ มันก็พัฒนาแต่ข้างนอกนะแต่ใจไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้พัฒนามันก็มันก็ยังไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริงเนาะอนะนั้นเราก็พยายามเขียนฝึกแบบนี้นะครับนะมองเห็นอะไรต่างๆนะมองอะไรต่างๆก็ย้อนกลับมาดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะดูตัวเราเป็นหลักเนาะดูดูตัวไม่ถึงว่าดูกายดูใจเนี่ยแหละครับนะ ดูอย่าให้มันเป็นตัวเป็นตนของเรานะดูให้มันเป็นกายเป็นใจนะไม่เป็นรูปเป็นนามนะมีสติเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูมันบ่อยๆนะถอนตัวเองออกมาดูนะมีสติถอนออกมาเป็นผู้ดูนะแต่มันเป็นการเหมือนดูบวกกับรู้สึกนะรู้สึกนะรู้สึกแล้วเมื่อรู้สึกแล้วน่ะมันคือสภาวะที่ดู มันไม่ใช่ดูแบบเหมือนดูคนอื่นเสียทีเดียวนะนะเพราะว่าถ้าดูแบบนั้นมันไม่รู้สึกนะมันเหมือนเห็นแต่มันไม่ได้รู้สึกแต่ในการมป็นแบบจริงๆมันเหมือนเป็นสาภาวะที่บวกกันระหว่างความรู้สึกนะที่ได้สัมผัสแล้วก็าภาวะที่เห็นที่มันรู้สึกว่าใไอตัวรู้สึกนั้นอ่นะมันไม่ใช่เรานะแต่บางทีมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบทั้งโลกที่แบบเราไปอินอยู่ในความรู้สึกนะ อินอยู่ในอารมณ์ต่างๆนะมันมันมันออกมามไม่ใช่ไปอินเข้าไปแบบนั้นนะมันเป็นการดูแบบดูเป็นแบบกลางๆครับเนีะดูเข้าไปมากเกินไปก็ไม่ถูกนะดูนอกเกินไปก็ไม่ถูกอีกและนะคําว่าเป็นกลางเนี่ยมันก็มันก็อธิบายยากนะแต่ให้เราสังเกตดูเอานะเอสังเกตดูน่ะมันเราขับรถน่ะนะ ขี่จักรยานใหม่ๆจะบอกว่าให้แบบสบายๆนะนะทรงตัวสบายๆนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องนั่นนี่มันอธิบายมันบอกยากนะแต่ต้องต้องเป็นการเรียนรู้ดูนะเราก็สังเกตว่าอ๋อคําว่าสบายๆเนี่ยเป็นการก็คือสภาวะที่ที่ใจมันแบบมันตั้งมั่นแล้วมันมั่นคงแล้วก็มันเห็น เห็นอารมณ์เกิดดับต่งตางๆได้หรือว่าเกิดความหลงไปแล้วก็กลับมาได้หนะลงไปแล้วก็กลับมาไดนะ้แล้วก็ไม่ไปติดใจในความชอบในความไม่ชอบกับมันนะหรือว่าถ้าไปติดใจก็ไม่นานนะก็กลับมาไดนะ้อันนี้คือสภาวะที่รู้สึกแล้วก็ดูนะก็ดูไปไม่ต้องไปอยากรู้อยากได้อะไรเราเพียนงะ แ, แค่ศึกษาไปนะนะ ที่จริงมันเกิดผลทุกขนาดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามีความอยากมากเนี่ยมันจะหน้าดำค่ำเครียดแล้วก็จะเอาให้ได้นะเนี่ยมุ่งมุ่งมุ่งที่ผลนะแต่การปฏิบัติจริงปฏิบัติทรรมจริงมีมุ่งที่เหตุครับมุ่งที่การทำเหตุเหตุคือการสร้างสติเมื่อมีสติมันจะเกิดผลคือความไม่ทุกข์ผลคือความเป็นปกติของมันเองนะ แต่เราไม่ใช่ไปมุ่งว่าให้มันให้มันนิ่งให้มันสง บ, บให้มันไม่มีกิเลสอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นคือผลเราต้องทําเหตุนะทําเหตุให้ถูกทาเหตุให้ดีผลก็มันก็จะดีสำมันเองนะนะปากฝากไว้ในสัญชาติกานี้ครับ